50 languages. 31, 31 office, 3 r t y e restaurant. Three. d n t a an appetizer. ดิฉันอยากได้สลัดค่ะมุจเเจสลัดใจเดิฉันอยากได้ซุปค่ะมุจเเจซุปใจเย่ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะมุจเเจซุยดิชใจเย่ดิฉันอยากไดไอศครีมใสวิปครีมค่ะมครีมกับซอีม ดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะมุ่งเจผัลลี่และพันเยเราต้องการทานอาหารเช้าฮัมน้าชตาการนาใจเท่หเราต้องการทานอาหารกลางวัน हम มดู ह ผื่อค่ाข้าวนาข้าวนาเราต้องการทานอาหารเย็น हम रात का खाना खाना चाहते हैं। आहार चाव रख बन अराई दी का आपको नाश्ते में क्या चाहिए? खन्न पंग कप यम लेनम पुग में का बिन जाम और शहद के साथ क्या खन्न पंग पिंग कप साई गॉर्ड लेचीज में का टोस्ट सॉसेज और पनीर के साथ क्या ไข่ลวกไหมคะออกอุบล่าฮัวอันดาคืะไข่าดาวไหมคะอีกตัล่าฮัวอันดาคืออออมเล็ตไหมคะอีกออมเล็ตคืะขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ म ม ह ์บานีครับเกอขออัดดิ ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ मेहरबानी क र, क र, क र, र ัे और नम ้ำเกลือแ द ेพยด้วยค่ะมอขอร์นอร้ํมารเปลด่าอขอรวีกอแก้วค่ะม ह ์บานีครับอขกลือและพร่อแรก้วค่ะ์ดด